หลังอาหารค่ำร่วมกันและระหว่างดื่มกาแฟสุบุรีระพินบอกให้คณะนายจ้างรู้แน่นอนว่าพรุ่งนี้คือวันที่เขาจะต้องนำออกเดินทางต่อไปชนิดไม่ยอมเสียเวลาล่าช้าระหว่างการปรึกษาหารือโดยแผนที่ทางอากาศของฝ่ายอเมริกันมาเพียรพยายามดูอีกครั้งอย่างใช้ความพินิษพิจารณารอบคอบเต็งที่ทั้งตัวเขาเอง และฝ่ายมริกันทั้งหมดก็ยังอยู่ในระหว่างความมึนงงสับสนไม่สามารถจะชี้จุดหมายแน่นอนที่พักอยู่ในขนับนี้ได้ทั้งหมดกำลังพยายามช่วยกันควานหาอย่างสุดความสามารถยกเว้นคริสติน่าคนเดียวซึ่งแยกตัวออกไปง่วนอยู่กับวิทยุรับส่งแรงสูงของคณะดูหล่อนกำลังพยายามจะหาทางติดต่อกระสูนบังคับการบนดาวเถียมให้ได้ทั้งๆ ท, ที่พนักงานวิทยุแท้จริง คือนายคิดเอือมรอาทอดอะไรเต็มทีไม่หันไปยุ่งกับมันอีกเลยนับตั้งแต่บ่ายของวันนี้เป็นต้นมาเนื่องจากไม่ได้รับสัญญาณใดๆจากเบื้องบนเรียกหรือตอบลงมาเลยจากการสังเกตของฝ่ายที่รวมหัวปรึกษากันในเรื่องแผนที่อยู่นั้นสังเกตเห็นหล่อนพยายามเรียกช้าๆโดยทอดระยะเวลาประมาณหนึ่งนาทีต่อนหนึ่งครั้งติดต่อกันไปเรื่อยๆ ลักษณะใจเย็นโดยครึ่งนั่งครึ่งนอนพิงกองสัมภาระอีกมือหนึ่งก็เอื้อมไปหมุนปุ่มโนนปุ่มหนี่ตามบริเวณหน้าปัดอย่างระมัดระวังและใช้ความเพียรเต็มที่ไม่ได้สนใจกระวงสนทนาหารือของพรกพวกเลยครั้งหนึ่งนายคีิสหันไปร้องบอกว่าติคริสอย่าไปยุ่งกับมันอีกเลยนะ่ะพวกมันบนโนนคงลงนรกไปหมดแล้วล่ะ หรือไม่กับเราเองนั่นแหละที่ลงนรกถึงได้ติดต่อกันไม่ได้เลยเป็นเวลานานแล้วฉันอยากจะโยนมันลงหิวไปใช่มันรู้แล้วรู้รอดจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระพวกเราแบกหามให้หนักเออสแตนบายไว้ก่อนแล้วมาร่วมกับพวกเราทางนี้ดีกว่านะถ้ามันรับสัญญาณได้เดี๋ยวพวกนั้นก็เรียกลงมาเราก็ได้ยินเองแหละแม่ผมทองโบกมือปัดมาเชิญให้เพื่อนนมหุบ ป, ปากหรือละความสนใจหล่อนซะ ไม่ตอบเช่นไรกรอกคําพูดเรียกขึ้นไปเป็นระยะระยะโดยเว้นช่วงอยู่เช่นนั้นเสียงของหล่อนค่อนข้างเบาไม่มีอาการกระสับกระส่ายเร่าร้อนใจอะไรทั้งสิ้น ป, ปล่อยเธอเถอะคีบเผื่อพลุกขึ้นมามัเรามาช่วยกันตรวจพิกัดของพวกเราเองดีกว่าสมมุติว่าตอนนี้ถ้าหอควบคุมของคุณติดต่อลงมาได้ เราก็ยังไม่สามารถจะบอกพิกัดที่แน่นอนกับเขาได้นะพระใหญ่บอกมาเรียบๆแล้วส ก, กิปนายจีอหัวเกรียนให้มาพิจารณาแผนที่อีกครั้งสิงคีบบ่นสะบดอุบอิบในลําคออย่างหัวเสียแล้วโค้งหัวไปมานิระพินพวกเราอาจไม่หลงทางในการนําของคุณแต่เราอาจจะหลงทางจากแผนที่ซะแล้วไม่อย่างจริง ไม่รู้ไอ้พวกนั้นมันทําแผนที่กันยังไงฉันยังขาดการติดต่อจะขอบังคับการอีกด้วยดินี่คิดแผนที่นะทาโดยทางอากาศหรือแผนที่ของภูมิศาสตร์สากลมันก็อย่างงี้แหละครับหลายๆเป้าหมายอาจจะถูกละเลยเพราะมันมองไม่เห็นถ้าแผนที่ของพวกคุณทํากันได้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดการค้นหาทางอากาศจะสะดวกง่ายดายที่สุดแล้วก็เชื่อว่าคงจะพบตําแหน่งตุก ของเครื่อง b ีห้าสิบสองไปนานแล้วละ่ะพวกคุณก็คงไม่ต้องมาทนลำบากเดินป่าหาที่ตายอยู่กับผมอย่างนี้หรอกนี่รพินแปลว่าเรากำลังหลงอยู่ในโลกร่างแล้วเหรอเนี่ยหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นเสียงต่ำๆจอมพลานยักไหลมันก็คงไม่ร่างนักหรอกครับดอกเตอร์ถ้าร่างเราก็คงไม่พบกับอะไรเลยแต่นี่เราก็ยังพบกับพืชพันธุ์และกัสัตว์มีชีวิตแปลก แล้วก็จะพบไปเรื่อยเขาเว้นระยะถอดบุหรี่ออกจากปากและจิบกาแฟจากถ้วยพลาสติกเราล่วงเข้าสู่แดนหลงสำรวจของโลกภูมิศาสตร์เท่านั้นแหละครับซึ่งเรื่องนี้ผมย้ำเตือนอยู่หลายครั้งแล้วเครื่องบินของคุณระเบิดทลายโลกของคุณมันหลงหายไปในโลกหลงสำรวจที่ผมกําลังนําล่วงแดนเข้ามาแล้วนี่แหละ ผมว่าหน่วยเหนือของพวกคุณน่ะก็น่าจะทราบเป็นในๆล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วไม่งั้นคงไม่พวกคุณวางแผนแตัวผมเป็นคนนำทางมาด้วยหรอกสเตลลีคีตและอิสเบลเงียบกันไปครู่ใหญ่ส่วนเชิร์ดบุชนั้นเงียบอยู่นานแล้วเพียงแต่เป็นผู้รับฟังเท่านั้นแล้วคอยสังเกตสีหน้าอาการจอมพรานตลอดเวลานายทหารหนุ่มฉลาดพอใช้ที่จะไม่สนใจกับแผนที่วิทยุติดต่อ หรืออะไรทั้งสิ้นแต่กลับไปคอยสังเกตดยการของมักคุเทศนำทางเพราะแน่ใจว่าจะเป็นการบอกสถานการณ์รอบตัวทั้งปัจจุบันและอนาคตได้ดีกว่ามาตรวัดอื่นแต่ตอนนี้เขายังดูอะไรไม่ออกจากสีหน้าเย็นเยียบนั้นเพราะมันเป็นปกติธรรมดาที่สุดมันเคยดูกระด้างเป็นหินสลักอยู่ยังไงมันก็เป็นอยู่เช่นนั้นแหละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง นิราพินสมมติว่าแผนที่ของเราใช้ไม่ได้และการติดต่อสื่อสารทางวิทยุของเราก็ใช้ไม่ได้อีกต่อไปในฐานะมักคุเทศนำทางคุณจะวางแผนเดินทางยังไงต่อไปอเมริกันเอาโสอย่างเสียงมาตามองลงไปยังแผนที่ของฝ่ายตนที่ตัางอยู่ท่ามกลางตะเกียงแบตเตอรี่อย่างปราศจากความหมายผมคิดว่าผมจะต้องใช้วิธีเสี่ยงแล้วก็เดาเอาละครับ แต่ถึงยังไงก็ไม่ถึงกับเดาส่งเดชเกินไปนะักมันก็จะวางรากฐานอยู่บนหลักเกณฑ์บางประการครับเขาชะงักไว้แค่นั้นสุภาพบุรุษไพรมีสีหน้าอึดอัดเล็กน้อยทุกคนจ้องหน้าครับคุณมีหลักเกณฑ์อะไรพอจะบอกเราบ้างได้ไหมผมจำไม่ได้ว่าผมได้เคยบอกพวกคุณไปแล้วหรือยังนะครับ ว่าผมมีแผนที่ของผมเองอยู่สองฉบับฉบับหนึ่งเป็นของเก่าโบราณ น, น่าจะเรียกว่าลายแทงซะมากกว่าผมได้ใช้ลายแทงฉบับโบราณ น, นั่นไปติดตามคนหายจนพบมาแล้วส่วนอีกฉบับหนึ่งเป็นฉบับคร่าวๆที่ผมเขียนขึ้นด้วยมือตอนเองก็ไม่คิดว่าจะต้องนํามันมาใช้อีกเลยตลอดชีวิตแต่แล้วมันก็เป็นต้องใช้อยู่ดีนั่นแหละเขากล่าวแช่มช้า น้ำเสียงเฉยชาดูไม่จริงจังอะไรนะพร้อมกันล้วงมือเข้าไปในอกเสือ้อซึ่งดูเหมือนจะตะเตรียมไว้แล้วก่อนจะเข้ามาร่วมรับประทานอาหารด้วยควขกอพลาสติกขนาดค่อนข้างเคืองแต่แบนและบางออกมาคลี่ทุกคนชะโงกเข้ามารุมดูฉบับหนึ่งเป็นแผนที่โบราณเขียนแบบลายแทงของมังมหนรธาซึ่งกลุ่นนายจ้างพอคลี่ออกดู ก็อุทานกันออกมาด้วยความงงงนันตื่นเต้นและสนใจเต็มที่แต่ไม่สามารถจะมองให้เข้าใจรู้เรื่องใดๆทั้งสิ้นอีกฉบับหนึ่งเป็นกระดาษขนาดฟูสแปติดกันสองขามีลายเส้นหมึกแห้งกำหนดทิศทางขุนเขาลักษณะของปา่าและสถานที่สำคัญอันพึงควรสังเกตต่างๆเต็มพืชไปหมดบอกต่อไปว่า ในเที่ยวขาไปผมใช้ลายแทงแผ่นนั้นเป็นเครื่องนำทางและในเที่ยวขากลับผมไม่ได้กลับทางเดิมแต่ตัดมาอีกทิศทางหนึ่งเพื่อหาทางย่นระยะพร้อมกันก็ทำแผนที่ประกอบไว้ด้วยเมื่อผมกลับมาถึงโลกภายนอกได้มันก็แปลว่าแผนที่ซึ่งผมทำขึ้นด้วยมือเองถูกต้องมิฉะนั้นผมจะกลับออกมาไม่ได้ถ้าเท่ากที่ลายแทงนั้นก็ถูกต้องเหมือนกัน วิฉนั้นผมจะไปตามคนหายสาบสูญไม่พบเมื่อแผนที่ซึ่งไม่เหมือนกับแผนที่ฉบับสากลใดๆในโลกนี่สองแผน่นนำมาประกอบกันเข้าผมจึงว่าเราเสี่ยงอยู่บนรากฐานที่มีหลักเกณฑ์พอสมควรไม่ถึงกับเดาสุ่มเกินไปนักครับรพินเบรนร้องเสียงสูงครั้งก่อนนะคุณมุ่งไปตามคนหายนะคุณ แล้วก็รู้กำหนดแน่นอนว่าเขาหายไปยังจุดหมายปลายทางคือบริเวณหลงสำรวจหรือจะเรียกว่าแดนสนทยาอะไรก็ตามและโชคมันก็เข้าข้างคุณโดยคุณพบดินแดนประหลาดนั้นจนได้แต่คราวนี้เราไปตามซากเครื่องบินตกนะคุณมันคนละเรื่องกันเบนพวกคุณยอมรับไหมล่ะว่าเครื่องของคุณน่ะมันตกหายไปแถบรอบริเวณของแดนสนญยาหลงสารวจนี่แหละ เบลอาปากเบิกตา่อืมันก็จริงอองเขานะเครื่อง b ีห้าิบสองตามรายงานข่าวนะมันหายไปทางภาค พ, พื้นนีแหละแต่ฝ่ายข่าวระบุไว้กว้างๆ ว, ว่าเป็นเขตเหนือไทยและพะม่า ก, กับจีนตอนใต้นี่ไงที่เขาทำเป็นแถบแดงววะเนี่ยมันกินอาณาเขตไปถึงที่เบตและเนปาลบริเวณมันกว้างขวางหลายหมื่นตารางไม้ เป็นรูปไข่วงรีกินลึกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือภายหลังจากพ้นเขตตอนเหนือของลุ่มสารวินไปแล้วสแตนลีย์เอ่ยขึ้นชา้าช้าคิดหัวเราะออกมาดังๆแล้วกำลังขาคนแรงคนเดินอย่างพวกเราที่มาตายแล้วเกิดใหม่สิบชาติก็เดินตรวจไม่ทั่วในบริเวณหลายหมื่นตารางไม้อย่างที่แกว่า น, นั่นรอก ยกเว้นแต่เราจะเดินไปในอัตราอย่างต่ำพันไม่แต่ชั่วโมงคำนวณกันหรือยังอ่ะวันวันหนึ่งเราเคยเดินกันได้อย่างเร็วที่สุดกี่ไม้ท่ามกลางาเขาสูงป่าลึกแบบนี้ไม่ต้องมากเอาแค่ยี่สิบไม้แต่วันก็แทบจะไม่ไหวแล้วทั้งหมดงันเงียบไปชั่วขณะกระพิงจุดบุรีตัวใหม่อย่างเยือกเย็นกล่าวด้วยน้ำเสียงเดิมท่านกลางความเงียบว่า ถ้าเราจะเอาหลักภูมิศาสตร์หรือหลักการคำนวณทั่วๆไปเข้ามาเทียบนะครับผมก็ยอมรับครับว่าเราเดินอีกสิบชาติก็ยังไม่ทั่วตลอดบริเวณอันเป็นตำแหน่งที่สงสัยว่าเครื่องจะสูญหายไปนิแต่ถ้าพวกคุณยอมรับในทรษฎดีของความลี้ลับอันโลกวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ซึ่งพวกคุณก็เห็นห็นกันมาแล้วมันก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันและถ้าโชคเข้าข้างเรา จากบริเวณกว้างเป็นหมื่นหมื่นตารางไม้ที่ดรสแตนลีย์ว่านี่ยเรวอาจจะเดินเพียงไม่เกินร้อยตารางไม้ก็พบจุดตกของเครื่องบีห้าสิบสองก็ได้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเราเสี่ยงกันดูและพระเจ้าทั้งนั้นละ่ะที่ท่านจะรู้ได้ว่าเราจะสําเร็จหรือไม่ครับอ่าแล้วคุณจะใช้แผนที่หรือลายแทงเก่าของคุณนะแล้วพินอิสเบนถาม มันเป็นแผนที่แล้วลายแทงที่จะนำเราไปในป่าลึกลับนี้ได้ครับไอ้ส่วนจะพบหรือไม่พบน่ะมันอีกเรื่องนึงและแผนที่ของผมเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแผนที่ฝ่ายคุณแล้วนะในระยะต้นๆมันก็ชี้บอกเส้นทางเดียวกันนั่นแหละคือมุ่งขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วจึงค่อยๆเบนออกจากนั้นก็บ่ายอ้อมไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ เส้นทางเดินก็จะอยู่อยู่ในรูปคล้ายๆอ้อมวกกลับเป็นตรงข้ามโดยมุ่งเหนือเป็นหลักเพียงแต่เมื่อไหร่จะตีออกขวาอันเป็นตะวันออกหรือตีออกซ้ายเป็นตะวันตกเท่านั้นอาระพินแล้วคุณแน่ใจเหรอว่ามันจะอยู่ในเขตแดนอันเราสงสัยว่าเครื่องหายไปคิดถามมาโดยเถ็วคิดก็คุณแน่ใจไหมล่ะ ว่าเครื่องได้ขาดการติดต่อครั้งสุดท้ายไปในบริเวณที่วงเป็นรูปไข่นี่<ม>นั่นนะมันเป็นข้อมูลที่เราได้รับมาแล้วก็เชื่อว่าถูกต้องนระรพินครับถ้างั้นก็ไม่น่าผิดพลาดหรอกครับผมก็มีข้อมูลที่จะสันนิษฐานได้เหมือนกันว่ามันจะต้องตกลงยังบริเวณใดบริเวณหนึ่งในเส้นทางหลงสำรวจที่ผมเคยผ่านมาแล้วนี่แหละไม่หลุดไปได้หรอก ฝ่ายบริกันทั้งหมดนิ่งไปอีกครั้งต่างตกอยู่ในห่วงคิดหนักและจริงจังคิดกับสเตลีก้มลงตรวจดูลายแทงเก่าแก่และแผนที่ซึ่งเขาเขียนไว้และพากันสายหัวโอ้ยเราดูลายแทงเก่าและแผนที่ซึ่งคุณทําไว้ไม่ออกเลยและเมื่อเอามาวางเทียบกับแผนที่ทางอากาของเราเนะี่ะผมว่ามันคนละเรื่อง มีเฉพาะลนาน้าสารวินเท่านั้นแหละที่จะสังเกตได้ว่ามันใกล้เคียงกันคุณสแตลลีแครางออกมาสตเตอร์ครับลายแทงและแผนที่ส่วนตัวของผมทั้งสองฉบับนะ่ะผู้เขียนทั้งสองคือผมและคนที่ตายไปแล้วหลายร้อยปีเขียนขึ้นจากภาพที่เห็นด้วยสายตาระหว่างเดินอยู่บนดินไม่มีใครอ่านได้เข้าใจหรอกครับนอกจากคนเขียนเท่านั้นแหละ ผมและเจ้าของรายแทงเดิมไม่สามารถจะรู้ได้หรอกครับว่าแต่ละตำแหน่งของที่หมายมันควรจะอยู่บริเวณใดของแผนที่ภูมิศาสตรสากลจะอยู่ในเส้นและหรือเส้นลองที่เท่าไหร่และรู้แต่เพียงทิศสีทิศกระทิ่วขุนเขาและสภาพของป่าที่จะไปพบเป็นระยะระยะเท่านั้นแต่ขอให้พวกคุณดูในด้านทิศให้ดีนะครับจะเห็นได้ว่ามันไม่หนีความจริงไปจากแผนที่ของพวกคุณนะักหรอก เพราะเหนือใต้ออกตกนะั้มันคงเปลี่ยนไม่ได้ครับเชิดบุตรสกิจเข่าเขาเบาเอ่ยเป็นประโยคแรกว่าพี่ครับผมพอจะเข้าใจแล้วห่ะหมายถึงว่าพี่จะบ่ายหน้าไปทางเส้นทางที่พี่เคยผ่านมาแล้วถูกต้องไหมครับครับก็ไม่มีทางอื่นจะเลือกได้กระพินตอบมาเสียงขึ้ขึ้น จะมุ่งเป้าหมายไปยังดินแดนในโลกแห่งความลี้ลับมหัศจรรย์คือเทือกเขาซิวะใช่ไหมครับพี่จองพรานหลับตาลงเอามือทั้งสองบีบขมับพึพรรมพำว่าผมก็ไม่ได้ตั้งจุดหมายแน่นอนไว้ว่าเราจะต้องไปที่นั่นหรอกแต่ผมภาวนาว่าในเส้นทางที่จะบ่ายหน้าไปยังดินแดนนั้นแหละที่เราควรจะพบเครื่องตกอยู่พร้อมระเบิด อาจจะถัดจากตาแหน่งที่เราอยู่นี่ไม่ไกลนักก็ได้แต่มันก็อยู่ในเส้นทางเดียวกันแน่นอนผมมีความมั่นใจอย่างนั้นนะครับถ้าโชคดีเราจะพบเร็วแต่ถ้าโชคไม่ดีระยะทางก็ห่างไกลออกไปอีกแล้วถ้าโชคร้ายก็ไม่พบเลยรวมทั้งความพินาศของพวกเราด้วยครับโอเค เ่อเปนี้เราเห็นจะต้องพับแผนที่ทางอากาศของเราเก็บได้แล้วแล้วก็ใช้แผนที่หรือลายแทงของคุณแทนแล้วไอ้ที่สมุดเล็กๆที่คุณถืออยู่น่ะอะไรอีกล่ะระพินประโยคหลังหัวหน้าคณะมองไปที่มือรับแล้วถามอย่างสงสยัยเพราะเห็นระพินเปิดสมุดเล็กๆเก่าๆเล่มนึงพลิกตรวจไปทีละหน้า อันนี้เป็นแต่เพียงส่วนประกอบเกี่ยวกับลายแทงหรือแผนที่ซึ่งผมทำไว้เท่านั้นเองครับมันเป็นตารางทางดาราศาสตร์การทำองศากับโลกของดาวพระเคราะห์แล้วก็ดาวบริวารอื่นๆมันเป็นตำราดาราศาสตร์โบราณอีกเหมือนกันครับพวกคุณก็คงดูไม่รู้เรื่องหรอกก็พอจะบอกให้รู้ได้บ้างไหมล่ะว่ามันเกี่ยวพันกันยังไงอิสเบนซักมา ในขณนะที่ระพิงตางสมุดเล่มนั้นยกให้ทุกคนดูอย่างคร่าวๆซึ่งเต็มไปด้วยตัวเลขพิสดารอันยากที่จะเข้าใจได้ความเกี่ยวพันของมันก็คือตามวันเวลาที่เราอยู่ในโลกนี่ดวงดาวในห้วงจักรวาลทำมุมยังไงกับโลกอันจะเป็นผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างจุดหมายสำคัญต่างๆในลายแทงนี่ซึ่งตรงนี้มันอธิบายได้ยากครับ มันเป็นศาสตร์ลี้ลับอีกแขนงหนึงน่งที่ผมศึกษามาดวงดาวนี่มีอิทธิพลมากครับต่อการที่จะช่วยระบุ บ, บุ่งเส้นทางตามลายแทงว่าเมื่อไรและยังไงเวลาไหนเราจึงจะเข้าถึงจุดหมายนั้นๆได้จะเลเห็นลักษณะเป็นยังไงเรื่องนี้ต้องศึกษากันนานครับพี่ระินคุณเป็นนักดาราศาสตร์ด้วยเหรอเนี่ยอิสเบรร้องเสียงสูงทำหน้าแปลกใจ กพินถอนใจนิดหนึ่งการมากับอเมริกันชุดนี้ทำให้เขาต้องเปิดเผยอะไรต่ออะไรในวิชาเดินป่าที่ร่ำเรียนมาโดยไม่คิดมาก่อนเบนครับผมน่ไม่ใช่นักดาราศาสตร์อย่างที่พวกคุณเคยรู้จักหรือเข้าใจหรอกผมแค่ศึกษามาจากครูของผมจะเรียกว่าอะไรดียผมก็บอกไม่ถูกนะ มันเป็นตำราของดวงดาวซึ่งจะบอกให้ทราบถึงอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตหนักไปทางโหราศาสตร์และความเปลี่ยนแปลงของผิวโลกทั้งที่เราเห็นและไม่เห็นซึ่งมากกว่าซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากนะักหรอกกล่าวจบเขาก็ปิดสมุดคล่ำคล้าเล่มนั้นเก็บลงในเป้หลังขณะที่ทุกคนกำลังกระพริบตาปิด ป, ปริป งงงงอยู่นั้นก็ต้องสะดุ้งขึ้นเพราะเสียงเรียกเพราะเสียงเรียกก็หืดกระหอบดังมาจากคริสตินาคิดคิดมาเร็วมาเร็วเราได้รับสัญญาณติดต่อจากหอกควบคุมแล้วแต่อู้อี้มากเลยฟังไม่รู้เรื่องจับกระแสคำพูดได้แค่สี่สเปอร์เซนท่านั้นเร็วมาเร็วทุกคนผุดลุกขึ้นอย่างตื่นเต้น แล้วปาตรงเข้าไปยังเครื่องวิทยุที่คริสติน่าเพียนเรียกติดต่ออยู่นั้นทันทีจริงตามที่คริสบอกไว้หล่อนไม่ได้หูฝาดไปเลยทำกลางเสียงคลื่นอากาศที่ลั่นโครกครากรบกวนอย่างหนักมีเสียงพูดเป็นภาษาอเมริกันดังอูอีอูอีผสมออกมาด้วยจับกระสแยความไม่ได้ชัดเจนแต่ที่แน่ๆก็คือขานเรียกนามของคณะเดินทางเป็นชื่อรหัส พิสูจน์ได้แน่ชัดว่าไม่ใช่คลื่นวิทยุที่อื่นหลงพลัดเข้ามาหรือว่าเป็นเสียงของคลื่นอากาศที่ฟังด้วยอุปทานอย่างแน่นอนสำเนียงนั้นเรียกอยู่ซ้ำๆกันเท่าเท่ากับทิคริสติน่าก็ตอบรับซ้ำๆขึ้นไปแต่ถ้าว่าทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะตกอยู่ในภาวะเดียวกันคือจับกระแสความของกันและกันไม่แน่ชัดเพียงแต่รู้ว่าต่างฝ่ายต่างรับคลื่นกันได้แล้วเท่านั้น พระพิณตามหลังนายจ้างของเขาเข้ามาด้วยไม่ได้มีความรู้สึกตื่นเต้นหรือยินดีริงร้ายอะไรด้วยทั้งสิ้นเพียงแต่พยายามจับฟังและจับดูอาการลุกลนของพวกนั้นเขาเห็นนายคิดข้ามไม่สาหรับพูดมาจากมือของแม่ผมทองแล้วก็ตะโกนกรอกเรียกลงไปในกระบอกสําหรับพูดนั้นแข่งกับเสียงสู้ซ่าโครกคราาของคลื่นอากาศที่รบกวนขนาดหนะทุกคนเข้ามารุมล้อม นอกจากกระพินเท่านั้นที่ยังยืนสังเกตอยู่ห่างออกไปเล็กน้อย135เวลาแห่งการที่ต่างฝ่ายต่างเรียกขึ้นไปแล้วเรียกลงมาผ่านพ้นไป3นาทีแล้วยังไม่สามารถจะติดต่อข้อความอื่นใดกันได้เลยคิดยิ่งเร่งวันลุ่มขึ้นไปเท่าไหร่เสียงครืณอากาศ ก็ยิ่งดังมากกว่าเสียงที่พยายามจะตอบลงมาเท่านั้นและไม่ว่าเขาจะพยายามปรับจูนตัดเสียงรบกวนยังไงก็ปราศจากผลทั้งสิ้นบางทีเสียงรบกวนและเสียงพูดอันแวววออกมาจากลาโพงก็หายไปพร้อมๆกันจากการปรับจูนเครื่องรับส่งและเมื่อมันจะดังเพราะการเร่งขึ้นมามันก็ดังอีแบบเดิมคิดแหกปากตะโกนสะบดลั่น ดาโคตรพ่อโคตรแม่ระ ง, งมไปหมดพยายามจะปรับปุ่มบังคับควบคุมต่างๆซึ่งมีเต็มไปหมดไม่มีใครรู้และใช้งานได้ดีเหนือไปกว่าเขาในฐานะพนักงานวิทยุประจำคณะมือทั้งสองขยุกขยิกเป็นลิงป๋าก็สะบดแล้วเรียกไปพลางขมงฉงเฉงไปทั้งบริเวณจนพวกพลานพื้นเมืองและพวกลูกหาบอันกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆพากันหันมาดูเป็นตาเดียว คริสบอกว่าจับเสียให้พวกนั้นได้ 40% สิบเปอ้ซเอาก็จริงๆแค่ส0เปอร์ซก็ยังไม่ถึงเรารู้แต่เพียงว่าเป็นการพยายามติดต่อลงมาของไอ้พวกนั้นที่มันลอยสบายอยู่เหนือหัวเราเท่านั้นเฮ้ o ั o โนฟบิสเดน you hear us? คริสบอกกับพักพวกอย่างหัวเสียแล้วแยกเขียวตะคอกลงไปในไม้ เสียงฟดแด ฟ, ฟดแดผสมไปกระเสียงลั่นอู้ดังตอบลงมาเหมือนเป็นการเปิดวิทยุไม่ตรงคลื่นสง่งบางขณะก็มีเสียงวี่ดแสบแก้วหูพยายามหน่อยคิดพอจะมีทางมั่งแล้วล่ะดีกว่าที่จะติดต่อกันไม่ได้เลยนะ่ะสตาลีบอกอย่างปิติและพยายามให้กําลังใจเต็มที่การติดต่อกับสถานีลอยหรือศูนย์ควบคุมการเดินทาง ย่อมเป็นความหวังอันแจ่มใสของคณะอเมริกันทั้งหมดเพราะมันหมายถึงหลักประกันในความปลอดภัยและการช่วยเหลือเริ่มจะมีทางแล้วรวมทั้งการส่งกำลังบำรุงด้วยถ้าจำเป็นดีกว่าที่จะอยู่ในสภาพสูญหายเหมือนกับว่าพวกตนถูกตัดออกจากโลกภายนอกแล้วเะนั้นฉันก็พยายามจนสุดความสามารถเท่าที่ไอวิทยุที่หน่วยเหนือเขาอ้างว่ามีคุณภาพดีที่สุดในโลกมนุษย์ ทำให้เราใช้แล้วนะแต่มันก็ไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมากกว่านี้ทุกชิ้นส่วนของมันแม้แต่ทรานซิเตอร์ตัวเท่าหนวดกุ้งตรวจสอบแล้วมันก็อยู่ในสภาพที่ปกติเรียบร้อยดีทุกอย่างไม่มีตัวไหนเสื่อมหรือชำรุดเลยแต่ดูเหมือนเรากับไอ้พวกนั้นมันจะห่างไกลกันสักหนึ่งพันล้านปีแสงอย่างนั้น่ะเมือ่อจะอยู่กันคนละระบบชุริยะจักรวาลก็ไม่ปานเสียงคลื่นหาเหวที่ไหนก็ไม่รู้ มันดันแทกรบกวนเข้ามานอกจากคลื่นรบกวนแล้วสัญญาณก็ยังขาดขาดหายหายประติดประต่อประโยคไม่ได้เกินกว่าสองคำเสียงของนายคิดบอกมาเร็วปืนมีอาการขัดอกขัดใจเหมือนอยากจะทุบเครื่องรับส่งให้พังไปคากำปั้นหัวหน้าคณะตกหลังเบาๆนี่คิดการใช้ประโยคคำพูดมันก็คงฟังกันไม่รู้เรื่องหรอกนะ แกไม่ทดลองใช้สัญญาณเคาะตามรหัสมอสดูบางทีจะช่วยรู้เรื่องกันได้บ้างนะคิดพยักหน้างึกๆึลักษณะอาการแสดงว่าเพียรพยายามอย่างไม่ลดละรีเสียงลงเสียบสายเข้าครอบผูฟังและเอาครอบผูนั่นมาสวมไว้กดปุ่มเป็นสัญญาณรหัสมอส ต, ตามที่สแตนลีแนะนำทันทีแบบเดียวกับพัฒการวิทยุโทรเลขแทนที่จะใช้เสียงพูดอย่างเช่นที่เคยใช้ทุกครั้ง ในผมทรงลานบินซึ่งบัตรนี้ผมเริ่มจะยาวโดเดเป็นดอกชมพูขึ้นมาแล้วเพราะไม่มีเวลาตัดขยับนิ้วเคาะกระปุ่มของตัวเครื่องโดยเฉพาะอยู่อึดใจหนึ่งแล้วหยุดเงี่ยหูฟังในที่สุดก็ยิ้มออกมาได้เงยหน้าขึ้นบอกกับทุกคนในขณะที่นิ้วก็ทำหน้าที่ขยับต่อไปเฮสวร์สงโปรดเพราะจะได้ผลเลยล่ะบอสเรากับพวกมันพูดกันโดยวาจาไม่รู้เรื่อง แต่โดยสัญญาณของมอสพอจะจับได้พอเดาถูกแม้จะช้าหน่อยก็ยังดีว่ะวิเศษพยายามติดต่อให้ได้เลยเบนร้องออกมาแทบลุกขึ้นเต้นด้วยความดีใจทุกคนมีสีหน้าดีขึ้นในทันทีนั้นต่างหินแต่คิดกดเป็นจังหวะเท่านั้นแต่ไม่ได้ยินเสียงสัญญาณระบบเดียวกันตอบลงมาเพราะผู้ติดต่ตอได้ครอบหูฟังฝ่ายนายจ้างอเมริกันทั้งหมด คอยฟังข่าวอยู่ด้วยใจจดใจจอ่อแต่ในขณะนี้คิดยังเพียงแต่ฟังเงียบเฉย อ, อยู่ตาเป็นประกายแห่งความหวังแล้วยังไม่เอ่ยอะไรทั้งสิ้นอยู่ในระหว่างเคาะสัญญาณโต้ตอบอย่างตั้ง อ, อกตั้งใจระพินซ่อนยิ้มอยู่ภายใต้สีหน้าสงบเฉยของเขาเพียงแค่สังเกตการขยับนิ้วทีห่างของคิดเขาก็อ่านออกแล้ว ว่าทางเบื้องล่างมีคำถามและคำตอบอะไรกับสถานีลอยควบคุมการเดินทางแม้จะไม่ได้ยินสัญญาณจากฝ่ายที่ส่งมาก็ตามแต่ถึงแม้จะมีรหัสแล้วมันก็ยังเป็นการซ้อนรหัสอยู่อีกเพราะภายหลังจากผสมออกมาเป็นคำได้แล้วยังเป็นคำที่จะต้องแปลความหมายต่อไปซึ่งคีตหรือฝ่ายอเมริกันเท่านั้นที่จะรู้กันได้ ก็เป็นการถูกต้องแล้วที่จะใช้สัญญาณมอสติดต่อกันท่ามกลางความรบกวนของคลื่นอากาศเช่นนี้เพราะมันเป็นแค่เสียงสัญญาณสั้นยาวทีห่างเท่านั้นอันพอจะรับฟังได้ถนัดกว่าใช้เป็นประโยคคำพูดจอมคุเทศเดินผละออกมาจากกลุ่มที่กำลังนั่งรุมลอ้อมเครื่องรับส่งวิทยุนั้นเดินช้า รับลมหัวค่าไปตามหมูโคถินเป็นการตรวจบริเวณโดยไม่สนใจอะไรด้วยอีกขณะนั้นรู้สึกว่ามีเสียงฝีเท้าเดินเร่งตามหลังมาครั้งแรกเข้าใจว่าเป็นเชิดวุฒจึงบอกออกไปโดยไม่เหลียวกลับมาว่าผมว่าคุณวุฒไปคอยรับฟังการติดต่อจากสถานีควบคุมการเดินทางกับพวกนั้นก่อนดีกว่านะครับ แล้วคุณล่ะไม่อยากจะฟังหรืรับรู้ด้วยเหรอไม่สนใจอะไรกับวี่แววอันเป็นข่าวดีของพวกเรามากเลยเหรอเสียงเบาดังตอบเข้ามาไม่ใช่เสียงของบุคคลที่เขาเข้าใจแต่แรกจอมพ่านชะงักกึกและผู้ที่เดินตามมาก็เข้ามาหยุดยืนใกล้ๆโดยอ้อมตัวเข้ามายืนดักอยู่เบื้องหน้าระพีเหลือบตามงงนิดหนึ่ง ควักบุหรี่ออกมาคาบเสียงไลเตอร์ดังและเปลวไฟสว่างแวบยื่นส่งมาให้จอมปราณเป่าให้ดับง่ายๆแบบเดียวกับอาการที่หล่อนกระทํากับเข้ามาก่อนรับประทานอาหารเมื่อครู่นี้สบัดซิปโป้ของตนเองลนต่อปลายบุหรี่ตอบทั้งที่ปากจังคาบบุหรี่อยู่ว่าก็คงไม่จำเป็นแล้วมั้งครับประเดี๋ยวคิดถึพวกคุณก็คงจะบอกให้ผมทราบเองมาติดต่อกันแล้วได้ความว่ายังไงมั้ง เรื่องวิทยุนะ่ะมันเรื่องของพวกคุณไม่ใช่เรื่องของผมใช่ไหมมือที่ยังถือไลเตอร์อันจุดส่งไปให้เขาและถูกเป่าดับอย่างยืนค้างอยู่เช่นนั้นตามองสดตาเขานิ่งอยู่อึดใจและนักฟิศว์สาวประจําคณะก็ถอนมือข้างนั้นกลับไปดับไลเตอร์ในมือช้าช้า <c oughs> คุณเป็นคนชอบแก้แทนนะ ใช่ครับเท่าๆกับเป็นคนที่ชอบสนองตอบบุญคุณคนด้วยครับทั้งสองอย่างนี่มันไปคู่กันในกมูลสันดานของผมนะครับจะบัดเซบิ่งขี้งอนด้วยนะกุนะ่ะคราวนี้เขาสั่นสีสัะถอดบุหรี่ออกจากเรมฝีปากที่แตะห้อยอยู่แล้วเป่าพันลงตางควณจะเป็นคุณใช่มากกว่านะครับไม่ใช่ผมหรอก ผมน่าเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงหรือกะเทยเนี่ยจะได้ขี้งอนแล้วทำไมต้องเป่าไลเตอร์ของฉันให้ดับด้วยล่ะผมก็อยากจะดูปฏิกิริยาของคุณเท่านั้นแหละว่าจะรู้สึกยังไงบ้างในกรณีที่คนเราน่มีความปรารถนาดีอยากจะทำอะไรให้แก่ใครสักอย่างแล้วถูกปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใหญ่ผมจะจุดบุหรี่ให้คุณคุณก็เป่าดับรู้ซะจุดเอง คราวนี้คุณจะจุดได้ผมมั่งผมก็อยากจะดูท่าทีของคุณมั่งจะยอมรับการเอื้อเฟื้อจากคุณในทำนองเดียวกันหรือไม่ผมก็เลยเป่าว่ามันดับผงจะมั่งไงอ่ะลมหัวค่ำบนเนินเขาเหนือทะเลสาพ์พัดโชยมาเย็นฉ่ำเป่าเส้นผมสีทองปลิวเคลียใบยหน้ารูปงามนั้นล่อนถอยไปนิดหนึ่งครึ่งนั่งครึ่งยืน พิงแงหินและพยายามจะอ่านลึกไปในดวงตาเขาแปลว่าระหว่างเราสองคนคุณกับฉันไม่มีบุญคุณอะไรติดต่อกันเลยใช่ไหมรพินจากสีหน้าตายด้านแต่แววตาอ่อนโยนรพินกล่าวเรียบเรียบว่า ไม่มีคุณผมตายไปแล้วหลายครั้งเท่าเท่ากับที่ไม่ได้ผมคุณก็ตายไปแล้วหลายหนเหมือนกันแต่มันก็เป็นหน้าที่ของเราทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนี่อย่าคิดอะไรเป็นบุญคุณต่อเนื่องให้มันเปลืองสมองเปลืองใจเลยคุณนี่คุณฉันว่าคุณแสดงบทบาทเป็นคนใจโหดถิ่นได้สนิทแนบเนียนพอใช้นะ แค่พอใช้เท่านั้นหรอกเลยก็ยังไม่ถึงกสมบูรณ์แบบนักครับครับก็แปลว่าเราทํากันผมเองก็รู้ครับว่าคุณเป็นคนละเอียดอ่อนเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากความฉลาดลึกแล้วทาไมไม่พูดว่าฉลาดไปด้วยเล่หล่ะคุณอุ้ยผมไม่ได้หมายความไปไกลในทางไม่เป็นมงคลต่อคุณถึงขนาดนั้นหรอกครับ เพื่อนยากเพื่อนยากเหรอคำนี้มันแปลว่าอะไรก็เราเป็นเพื่อนกันในยามยากมาตลอดไม่ใช่เหรอคุณไม่เฉพาะคุณหรอกแต่พวกเราทุกคนสำหรับคุณก็อาจมีอะไรพิเศษนอกเหนือไปกว่าคนอื่นๆอีกมากนะพินเว้นระยะนิดหนึ่งเดินเข้ามาใต้ ฝ่ามือหยาบกระด้างแต่สัมผัสอ่อนละมุนแต่ที่ปลายคางหล่อนคริสติน่าไม่ขัดขืนอย่างใดเงยศตาคริศผมไม่ชอบตัวเองอยู่อย่างหนึง่งสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาในข้อไหนล่ะก็ในข้อที่ ละเมอเกอดคุณไว้ทั้งคืนและทําให้คุณเป็นภาระหนักต้องคอยดูแลโดยไม่มีโอกาสพักผ่อนเลยดิคริสทำเสียงฮึกในลำคอเอามือปัดผมแล้วถามเบาๆวา่ารู้ตัวเหมือนกันเหละว่าเมื่อคืนนะคุณเป็นยังไงถ้ารู้ตัวผมคงไม่ทําอย่างนั้นหรอกคริสแต่คนของผมนะมันเห็นแล้วมันก็บอกผม ลืมซะเถอะคุณมันก็เป็นหน้าที่ของฉันเหมือนกันนี่ใช่ไหมระหว่างเราสองคนต่อไปนี้ไม่มีคำว่าขอบคุณฉันถูกไอตัวหกขานัดและคุณก็มากู้ชีวิตไว้ได้เมื่อบ่ายนี้ฉันก็ไม่ต้องขอบคุณคุณเหมือนกันนะจากมือที่แตะปลายทางรพินรูปที่เส้นผมนุ่มเหมือนไหมของหลอนคริสตินานั่งนิ่ง ไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านนืสแดงอาการใดๆทั้งสิ้นนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแนละ้วคริสระหว่างเราสองคนต่างศึกษาเรียนรู้กันจนชนิดที่แค่มองตาเราก็รู้กันแล้วว่าอะไรเป็นอะไรไม่จำเป็นต้องเ อ, อ่ยมาเป็นคำพูดหรอกครับและดวงตาของฉันที่มองคุณอยู่ขนาดนี้ล่ะ อ่านออกว่ายังไงก็อ่านออกว่าไอ้ควายไอ้โง่ผิดอะและ้วทางนั้นคริสติน่าเปลี่ยนประเด็นพูดเฉยออกนอกเรื่องในฉับพลันราพินคืนนี้คุณกรุณามานอนรวมกลุ่มกับพวกเราได้ไหมฉันได้รับคำสั่งจากอาจารย์ให้มาขอร้องกับคุณอย่างนี้ ก็ไม่น่าจะมีอะไรขัดข้องนะครับแต่ขอทราบเหตุผลความจริงไหมผมจะไม่ได้เข้าไปนอนรวมกลุ่มกับพวกคุณผมก็ไม่ได้แยกไปห่างไกลอะไรนักหรอกแต่แยกออกไปนอนเพื่อเป็นยามระวังภัยให้ตามปกติวิสัยแล้วก็หน้าที่ของผมอาจารย์ก็ไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมถึงให้ฉันมาบอกคุณอย่างนี้หรอกแต่ฉันเข้าเข้าใจเอาเองนะ ว่าเขาคงคิดว่าคุณเองก็เพิ่งฟื้นจากเจ็บไา้แต่ตัวฉันก็เพิ่งจะฟื้นจากพิษของแมงมุมหกขานันเขาก็คงต้องการให้อยู่ใกล้พักพวกทุกคนโดยพร้อมหน้ากันหากเกิดอาการอะไรขึ้นมาก็จะได้มองเห็นและช่วยเหลือแก้ไขกันได้ฉับพลันทันการระพินยิ้มนิดหนึ่งพยักหน้าจับที่ต้นแขนอวบเรียวแต่แข็งแรงนั้นบีบหนักหน่วงแล้วคลายออก ตกลงครับหัวหน้าหรืออาจารย์ของคุณรอบคอบเสมอแหละแล้วก็มีจิตใจที่มุ่งดีกับพวกเราทุกคนครับแล้วคุณเลิกระแวงพวกเราหรือยังผมรู้แต่เพียงว่าพวกคุณทุกคนคบได้ครับมันก็ช่วระยะเวลาที่เราทํางานร่วมกันอย่างนี้เท่านั้นเองนั่นแหะใช่ไหมครับมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอ แล้วเขาก็หัวเราะเบาๆถามต่อมาเป็นเรื่องฟังตลกกึ่งสรพพยอกว่าหรือว่าจะมีใครสักคนในพวกคุณอยากจะหิ้วเอาผมผู้ซึ่งเป็นลูกจ้างอันสื่อสัตว์คนนี้ไปเลี้ยงดูให้มีความสุขสักคนหนึ่งมีบ้างไหมครับตาสีฟ้างามนั้นรีลงนิดหนึ่งแผวเสียงมาว่าก็ถ้ามีล่ะคุณจะไปด้วยไหม น่าคิดนะน่าคิดครับน่าคิดเขายกเท้าข้างหนึ่งขึ้นเหยียบบนแง่หินที่ยืนกอดอกพิงอยู่ชะโงกหน้าลงมาใกล้ไอ้ชีวิตยากแค่ลําบากมาโดยตลอดของผมนี่ก็น่าจะมีใครสักคนเอ็นดูออกไปชุบเลี้ยงให้มีความสุขมั่งผมก็เคยฝันมานานแล้วแต่มันก็เพียงแค่ความฝันเท่านั้นแหละนี่คุณอย่าพูดเล่น คนทะนงยโสผิดผู้ผิดคนอย่างคุณนะเหรอเคยคิดอย่างนั้นอา้าวก็แต่ผมเคยคิดล่ะคริสฉันก็ทายออกว่าทำาแม้ว่าคุณคิดคุณก็คิดเฉพาะคนคนเดียวเท่านั้นที่จะเอาคุณออกไปจากป่าได้ใครอ่ะก็ผู้หญิงคนที่คุณหลงไปชีวิตจิตใจแล้วก็ละเมอเรียกหาเธอทั้งคืนนะดิ ผมไม่ต้องให้ฉันออกชื่อไงสุภาพบุรุษไพรอึ้งแววงมองหม่นผ่านแวบไปในดวงตาถอยห่างออกมาทอดตามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นดาวเพียงดวงเดียวเด่นสกาวสุกปลังอยู่วาวับระยับระยิบเหมือนตาของใครสักคนหนึ่งกำลังทอดมองมารู้สึกตัวอีกครั้งโดยสะดุ้งจากผวังเศร้า เมื่อฝ่ามือของคริสติน่าวางลงบนไหลรพินฉันเสียใจนะถ้าทำให้คุณปวดร้าวน้ำเสียงของหล่อนลึกและบ่งความหมายเช่นนั้นจากใจจริงรพินฟื้นยิ้มตบฝ่ามือหล่อนที่วางบนไหลเขาเบาๆไม่หรอกครับคริสไม่มีอะไรหรอก คุณเพียงแต่ช่วยเตือนจิตสำนึกของผมเท่านั้นเตือนโดยทำให้คุณเศร้าหมองลงไปอีกอย่างนั้นเหรอกระผิดสาบานนะสาบานจริงๆว่าฉันไม่ได้มีเจตานาเลยไม่เป็นไรครับคริสไม่เป็นไรผมทำใจได้แล้วในเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับทำใจเหรอทำยังไงอ่ะก็ทำให้ใจว่างเปล่า ไม่เก็บเอามาเนื้คิดทรมานตัวเองจะคิดกับแต่งงานเฉพาะหน้าเท่านั้นแหละครับแล้วคุณแน่ใจเหรอว่าทําใจได้นะจะพยายามครับเพราะไม่มีอะไรจะทําได้ดีสําหรับตัวเองมากไปกว่านี้อีกแล้วละครับคุณปร่งใจแบบนี้ได้ตังต้งแต่เมื่อไรหร่ล่ะรพิน ตั้งแต่เมื่อคืนที่แล้วแล้วมั้งถ้าผมไม่กำหนดจิตใช่ไหมขจัดนิวอนไม่ได้ชีวิตผมอาจไปไม่รอดระพินความจริงคุณควรจะทำใจให้ได้อย่างนี้มานานเลยนะเพื่อสุขภาพของตัวเองฉนันและพวกเราทุกคนก็ไม่ได้ต้องการให้คุณเลิกรักเลิกคิดถึงเธอพูดนั้นหรอกจงรักมั่นคงต่อเธอเพียงคนเดียวต่อไปเถอคุณ แต่อย่าถึงกับปล่อยให้โรคคิดถึงรักมันมาทำลายตัวคุณเลยเสียงของคริสตินา่ากระซิบแผ่วอยู่ริมหูเขาอ่อนละมุนเปียมล้นไปด้วยอาการปรอบประโลมระพินถอนใจเบาๆสุดกายลงนั่งบนแง่หินเตี้ยมือทั้งสองยกขึ้นแตะที่เปลือกตาแล้วลูบใบหน้าหัวเราะแหบๆออกมาอีกครั้งครับคริส ผมจะเชื่อคุณครับใช่ระพินแล้วคุณจะแข็งแรงขึ้นจะมีทั้งกําลังกายและกําลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคขวางหนามต่อไปอย่างเต็มไปด้วยสมรรถภาพเต็มที่ของคุณอาการเส้นโลหิตตีบเลือดไม่ขึ้นไปหล่อเลี้ยงสมองซึ่งอันตรายมากก็จะหายไปเองรู้หรือเปล่าเมื่อคืนนะคุณหนักมากนะเพียงแต่เราไม่กล้าบอกคุณเท่านั้น ลอนกล่าวต่อมาทางคุกเข่าลงตรงหน้าครับทำไมผมจะไม่ทราบคริสเมื่อเมื่อคืนนะผมหนักแค่ไหนถ้าไม่ได้พวกคุณนะผมคงตายไปแล้วผมไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนโรคคิดถึงโรคเฉารักนี่ทาไมเกิดกับใครก็ไม่มีวันรู้หรอกครับอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่สัตว์บางชนิด เวลาเราไปพรากมันจากกันมันยังตรอมใจตายเลยคุณ่ะรู้ได้อย่างงั้นก็ดีแล้วละ่ะฉันและพวกเราจะช่วยคุณได้ในวงนอกเท่านั้นแหละระพินคุณจะต้องช่วยตัวคุณเองก่อนด้วยใช้สติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาเข้าคมคุณเองก็เป็นคนดีมีดีอยู่ในตัวเป็นศิษย์มีอาจารย์มีอานาจจิตสูง ถ้าคุณท้อแท้สิ้นหวังคุณก็จะไปไม่รอดแต่ถ้าคุณเข้มแข็งโอกาสที่คุณจะกลับคืนหลังไปพบเธอย่อมจะมีเพราะฉะนั้นรองให้ดีนะรับพินจะเฉารักตายสกลางป่าอย่างสัตว์บางประเภทเช่นที่คุณว่าหรือจะรักษาชีวิตให้รอดเพื่อกลับไปพบเธอ ที่คุณกําลังทําไซโคเทอรพ์พีผมอยู่ล่ะคริสคริสติน่าสายหน้าช้าวงหน้าของหล่อนดูขาวพลูนในแสงดาวและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนท้องฟ้าแลพินไม่มีใครบางอาจทําตัวเป็นจิตแพทย์แต่คนรอบรู้ไปสารพัดอย่างคุณได้หรอกเว้นแต่คุณจะทําให้แกตัวของคุณเองฉันก็เพียงแค่เตือนสติคุณเท่านั้นแหละ ฉันมีสิทธิที่จะห่วงคุณได้ไม่ใช่เหรอทั้งทางด้านงานซึ่งคุณมีหน้าที่เป็นมักคุเทสก็สำคัญแล้วทั้งในด้านส่วนตัวในฐานะเพื่อนยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากบนใบหน้ากระด้าง น, นั้นว่าจะไม่พูดคำว่าขอบคุณแล้วนะแต่ก็อดไม่ได้ขอบคุณครับคริส บางขณะบางเวลาคุณก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักมากอ่อนหวานอ่อนโยนแล้วก็กรุณาไม่น่าเชื่อนะครับว่าประวัติของคุณจะน่ากลัวยอย่างนั้น <c oughs> ก็อาจจะเหมือนคุณละมะระพินที่ผิวหน้าโหดหินเยี่ยมเกรียมเหลือเกินแต่ถ้าแท้ภายในคุณเป็นสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้วกล้าหาญสื่อสัตว์เสียสละ มีเมตตาแล้วก็มีคุณธรรมสูงแล้วหล่อนก็หัวเราะออกมาเบาๆเสียงใสผิดไปเอาแก้มแนบที่เขาาเขานี่คุณคุณจะโกรธฉันนะถ้าบางทีฉันอาจจะกระด้างก้าวร้าวหรือมีอะไรแง่งอนเป็นที่ชวนหม่นไส้ไปบ้างอย่างน้อยฉันก็เป็นผู้หญิงแม้จะไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะบางทีฉันก็มีอะไรบ้าๆเหมือนกันล่ะคุณ รบพินประคองใบหน้าของหล่อนไว้ด้วยฝ่ามือทั้งสองก้มลงมาห่างกันเพียงแค่คืบคืนนี้และเดี๋ยวนี้คุณดูซื่อบริสุทธิ์เหลือเกินคุณสวยดูซื่อบริสุทธิ์เหมือนลูกแรงแลมะมั้งผมว่าเหมือนลูกจงอางมากกว่านาะ แต่ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ฉกกัดคุณหรอกระพินครับถึงฉกกัดผมก็หลบทันครับผมเป็นหมอ ง, งูที่ไม่ตายเพราะงูหรอก <c oughs> แล้วทั้งสองก็หัวรอกขึ้นพร้อมกัน <c oughs> รู้จักยิ้มหัวพูดเล่นอย่างนี้ซะมั่งก็ดีนะเดี๋ยวนี้ฉันไม่สงสัยแล้วว่าทำไมสุภาพสตรีคนนั้นก็ถึงรักคุณ เป็นผู้ชายที่มีสนเสน่ห์อย่างซ่อนเร้นแฝงลึกอยู่ในคราบของความแข็งกร้าวหยากกระด้างเธอเคยพูดอย่างนั้นกับคุณหรือเปล่าระพินระพินนิ่งไปชั่วขณะถึงเธอผู้นั้นจะเคยพูดเคยพบเห็นเขาในลักษณะที่คริสเห็นอยู่ในขณะ น, นี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องบอกกันหรอนจี๋เสียกลบเกลื่นไปว่า โดยความจริงแล้วผมก็เป็นคนไม่มีอะไรเลยนะคริสเป็นแค่ชายยากจนคนหนึ่งใช้ชีวิตกรา ก, กรมอยู่แต่งานในป่ามาตลอดไม่มีเกียรติในสังคมไม่มีอะไรสักอย่างที่เป็นที่หวังของผู้หญิงทั้งหลายเดินอยู่ในเมืองในถนนคอนกรีตแล้วผมก็เหมือนบรรหนอกเข่ากรุงะคุณนั่นนะ่ะเป็นความคิดของคุณต่างหากรัรพินทั้งๆ ท, ที่คุณก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น คุณเป็นคนมีการศึกษาผ่านโลกอารยธรรมมาแล้วเป็นอย่างดีแล้วคนในโลกอารยธรรมหลายชาติหลายภาษาก็เคยมาติดต่อใช้บริการอันมีสมรรถภาพของคุณอยู่ตลอดเวลาบ้านนอกที่พูดอังกฤษแท้ได้สมบูรณ์แบบซะยิ่งกว่าคนอเมริกันบ้านนอกที่พูดเยอรมันชนิดที่ไม่เห็นตัวก็นึกว่าเป็นคนเยอรมันฉันว่าเป็นบ้านนอกที่น่ากลัวมากทีเดียวแบบที่เขาพูดกันในคำล้อเลียนว่า โง่ไม่กลัวกลัวไม่โง่น่ะสิไอ้ส่วนเรื่องยากดีมีจนหรือทำงานประเภทไหนนะมันไม่สำคัญหรอกคุณถ้าผู้หญิงเองเธอเป็นฝ่ายมีฐานะดีอยู่ก่อนแล้วเธอไม่สนใจหรอกว่าคุณจะอ้างว่าฐานะต่างกันเพียงไรขอให้ผู้หญิงคนนั้นมีความรักแท้และมีความเชื่อมั่นในตนเองเท่านั้นแหละมาราชวงศ์หญิงคนนั้นเธอไม่โง่หรอกที่มารักคุณ เพราะคุณนะมีคุณสมบัติพร้อมเหมาะสมกับเธอล้วเงินทองเป็นของนอกกายแต่จิตใจต่างหากที่มีค่าเหนือกว่าอะไรทั้งหมดเอ๊ะแปลกนี่คริสคืนนี้คุณพยายามปลุกปลอบให้กำลังใจผิดไปมากทีเดียวนะฉันก็พููจักจริงใจอ่ะไม่ได้มีอุบายเสียแซงอะไรกับคุณนอกรพินและถ้าฉันบอกอะไรกับคุณสักอย่างคุณจะเชื่อไหม อยา่าไม่ต้องทำหน้าตกใจอย่างนั้นหรอกรับรองว่าฉันจะไม่บอกหรอกว่าฉันรักคุณแม้ว่าฉันจะนิยมชมชอบในตัวคุณมากสักขนาดไหนก็ตามประโยคหลังหล่อนสกัดดักหน้าไว้ซะก่อนพร้อมกับสายนิ้วผ่านหน้าเข้าไปมาเชิงปฏิเสธในความคิดถ้าเขาจะมีอยู่ในขณะนี้ทงนั้นคุณจะบอกอะไรผมนะคริส มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ฟังดูไร้าสาระนะคุณก็ลองว่ามาผมจะลองฟังดูก็เรื่องที่เราพูดค้างกันไว้เมื่อตอนกินอาหารเย็นน่ะดิเรื่องความฝันของฉันขณะที่ฉันสลบไปด้วยพิษแมงมุมหกขานะี่ยคืนนี้ดูคริสติน่าเป็นผู้หญิงปกติธรรมดาที่สุดในการพูดจาสนทนากาเข้าฉันมิสนิท ราจากเลสไนหรือชั้นเชิงเหลี่ยมคูใดๆทั้งสิ้นผมกำลังรอฟังอยู่ครับคริสว่าต่อเลยสัญญาก่อนว่าจะไม่หัวเราะยิ้มหยันหรือว่าโกรธตลอดจนไม่พอใจในบุคคลที่ฉันจะเอ่ยถึงต่อไปจอมพลันย่นคิ้วนิดนึงแล้วก็หัวลงตกลงครับ ฉันฉันฝันเห็นกู้รักของคุณคนนั้นอะอรพินอุทานหลอนกล่าวตอไปทันทีใช่ค่ะน้อยหรือหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริสนั่นแหละฉันไม่โกหกแล้วก็ไม่ได้มีเล่อะไรกับคุณนะคิดซะว่านี่เป็นคำบอกเล่าก็แล้วกันไม่ได้ขอร้องให้คุณเชื่อด้วยเพียงแค่ลองฟังดูเท่านั้นแหละคุณ ระพินิ่งไปขนาดกิบแล้วพยักหน้าอีกครั้งอะนั้นเล่าความฝันของคุณต่อไปเรามาสอบทานกันก่อนก็ได้ระพินว่าความฝันแปลกๆของฉันนี่มันมาจากอะไรเกิดจากที่ฉันกำลังจะตายในขณะนั้นแล้วคิดเพอ้อไปเองร่วมมีอะไรลึกลับบางอย่างเข้ามาเป็นสื่อชักนำเพราะฉันก็ยังไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกัน จะสอบทานยังไงล่ะคริสก็รูปพันณสันฐานของเธอผู้นั้นก่อนพรานใหญ่ยิ้มอย่างไม่เชื่อถือก็คุณเห็นจนจนิตติดตาแล้วนี่จากรูปถ่ายของเธอตลอดจนอาจจะเกิดจากการบอกเล่าของพรานลูกน้องของผมคนใดคนหนึ่งที่คุณหลอกถามก็ได้สาบานนะพินสาบานว่าฉันไม่เคยล้วงความจริงอะไรได้จากเด็กเด็ก ของคุณมากนักครับพวกนั้นปิดปากสนิทกันหมดทุกคนและฉันก็บอกแล้วไงว่าเรามาสอบทานหรือทดสอบกันก่อนคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อก็ได้นี่หรือว่าจะให้ฉันหยุดเพียงแค่นี้ก็เอาอาว่าไปว่าไปว่าไปผมก็อยากฟังหเหมือนกันเธอผู้นั้นตาดำผมดำ สูงราวห้าฟุตห้านิ้วค่อนข้างเพรียวแต่ทรงกระดูกใหญ่แข็งแรงแม้จะดูว่าบอบบางโท่เข้าเกินไปนะคริสนักจิตวิทยาหรือคนฉลาดอย่างคุณก็พอจะกำหนดได้ใกล้เคียงหรือนึกวาดภาพได้รกักคริสติน่ารีตาลงเหมือนจะทบทวนความทรงจำในจิตประสาทส่วนลึกของหลอนโดยไม่สนใจคาแย้งของเขา คำพูดต่อไปถึงเป็นลักษณะรำพึงใช่มากกว่าตาโตแต่รูปตาเรียวสันจมูกตรงปลายเชิดริมฝีปากบนบางแต่ริมฝีปากล่างหนาช่วงคอยาวไหลลาดเหมือนนักกีฬาทรงหน้า รูปผัดผาดน่าจะเป็นรูปไข่แต่เป็นลักษณะยาวรีซะมากกว่าผิวไม่ขาวจนเกินไปนักแต่ก็ไม่คล้ำฮึคุณเอาหุ่นนางแบบมาตรฐานมาพูกกับผมแล้วมันก็เป็นลักษณะส่วนใหญ่ของคุณเองซะมากกว่าละมัง้งชุดเดินป่าของเธอค่อนข้างฟิตมีรอยปริขาดที่ตะเข็บ กางเกงสวมท็อปครึ่งข้อเท้าไรเฟิลประจำมือมองเห็นชัดทีเดียวน่าจะเป็นเวทเทอร์บีมาร์โฟจุดสมส น, ส น, สนแมกนัมคราวนี้ระพินเริ่มขมวดคิ้วอีกครั้งจ้องตาเป่ง น, นี่ถ้าไม่บุญค้างก็จันละที่บอกลักษณะอย่างนี้กับคุณน่ะคริสติน่ายังไม่สนใจกับคำพูดของเขาอยู่เช่นเดิม มีอาการเหมือนจะเรียกความทรงจาต่อไปไรเฟิลกระบอกนั้นตามแบบของมันแล้วมันจะต้องติดศูนย์กล้องแต่น่าแปลกที่ปืนของเธอไม่มีศูนย์กล้องรู้สึกว่าเราจะคุยกันนานทีเดียวฉันยังถามเธอเลยว่าไรเฟิลของเธอไม่มีศูนย์กล้องเหรอเธอก็ตอบว่าก่อนนี่นะมันเคยมี ในการตามช้างร้ายตัวหนึ่งเข้าไปในถ้ำน้ําตกละ อ, องไอ้น้ําเข้าไปในศูนย์กล้องทําให้เลนเสียแล้วพรานนาทางก็คือคุณนั่นแหละเป็นคนถอดศูนย์กล้องของเธอโยนทิ้งไปตั้งแต่นั้นมาจุดสามเวเธอร์แมกกระบอกนั้นก็เลยไม่ได้ใช้ศูนย์กล้องแล้วก็บางเงินกระบอกนั้นมีศูนย์เปิดติดมาให้จากโรงงานด้วย เสียงของคริสติน่าพูดเนิบเนื้ช้าๆแต่ระพินลืมตาโตรวบต้นแขนของหล่อนทั้งสองข้างไว้บีบแน่นคริสเขาอุทานออกมาอย่างประหลาดใจขีดสุดระพินถ้ามีตอนไหนผิดคุณก็ทักทวงได้ทันทีนะและตะฟังต่อไปไม่ได้ก็บอกให้ฉันหยุดเพราะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าดารินคนที่ฉันพบในความฝัน จะใกล้เคียงตัวจริงขนาดไหนสถานภาพทั่วๆไปของเธอผู้นั้นฉันจะไม่พูดหละเพราะก็อาจรับรู้รับฟังมาก่อนได้ขอให้ฉันทบทวนไปถึงแผ่นภาพที่ฉันมองเห็นระหว่างคุณกับเธอผู้นั้นนักคืนสุดท้ายที่คุณได้พบเธอแล้วหลังจากวันนั้นวันรุ่งขึ้นเธอก็กลับไปโดยบอกให้คุณตามไปพบเธอที่กรุงเทพเจ็ดวันข้างหน้า คือนั้นไม่มีใครรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสองต่อสองนอกจากตัวคุณและเธอเท่านั้นคุณยอมรับไหมในข้อนี้รับพินมมปากแน่นอนต่อไปสิคุณเห็นยังไงอีกคริสคุณต้อนรับเธอที่บ้านพักหนองน้ำแห้งรับประทานอาหารร่วมกันตามลำพังแล้วเธอก็ส่งบัตรชนิดนึง ใส่ซองให้คุณเธอบอกว่าเป็นบัตรแต่งงานเธอมาขอเชิญคุณให้ไปในวันแต่งงานของเธอตอนนั้นคุณตกใจมากเนี่ยตกใจจนเดินผลาหนีลงจากเรือนพักไปจับสั่นหมดสติอยู่ที่ลานดินห่างบ้านพักออกไปพลานพื้นเมืองของคุณไปพบค่าก็เลยช่วยกันแบกมาส่งให้บนเรือนตามเดิม แล้วคุณก็มารู้ภายหลังว่าเธอแค่เย้าเล่นแท้ที่จริงบัตรนั้นเป็นบัตรที่เธอเขียน้วยลายมือตัวเองว่าจะมาเป็นเจ้าสาวคุณที่บ้านพักหนองน้ําแห้งแห่งนั้นแต่คุณไม่ได้เปิดออกดูเองในตอนนั้นแล้วคืนนั้นเธอก็นอนอยู่บนเตียงกับคุณจนรุ่งเช้าคู่รักทั้งสองนอนอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันแต่มันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลย เพราะเธอขอร้องคุณไว้ผิดถูกยังไงฉันไม่รู้นะฉันก็พูดไปตามที่ภาพเห็นนะเหมือนภาพที่ฉายให้ดูบนจอภาพยนตร์นะคุณระพินไพร์วันตะลึงพึงเพลิดแต่ว่าพรานลูกน้องของเขาคนใดาปากบอลไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้คริสติน่าฟังพวกนั้นก็ไม่ได้รู้รายละเอียดถึงเพียงนี้ย้อนกลับไปกว่านั้นขณะที่ร่วมชีวิตกันอยู่ในปา่า เธอเคยหลงกับคณะพี่ชายและพรานทั้งหมดไปกับคุณตามลำพังถึงสองครั้งเคยเสี่ยงชีวิตลอยคอกันไปในทานใต้ดินเคยถูกน้ำป่าพัดพาหลงห่างไกลไปจากคณะและแม้กระทั่งตอนที่ผจญกับผีดิบมันไตรในยุคนั้นที่ปราสาท พ, พันธุมวดีพวกคุณทุกคนกำลังจะเพลี่ยงพล้้า แต่เธอเป็นคนวิ่งเข้าไปกระชากกริดที่ปักตรึงอยู่กับคำพีหนังมนุษย์อันเป็นคำพีอาถรรพ์ใตแทน่นบรรทมของพญาพันธุมมวดีซึ่งนอนอยู่ในโรงแก้วทำให้เวทมนต์อาคมของมันไตรเสื่อมคลายลงชั่วขณะแล้วพวกคุณก็เป็นฝ่ายได้ชัยชนะนี่ฉันบ้าไปมากไหมเนี่ยระพินที่ผูกกับคุณได้เป็นตูกเป็นตรถึงขนาดนี้ ปานใหญ่จ้องดูคริสเหมือนเห็นสิ่งประหลาดมหสัสัจรย์ที่ที่สุดบอกเสียงแหบๆมาว่านี่คริสคุณหยุดสอบทานได้แล้วเล่าผมฟังดีกว่านะว่าคุณเห็นเธออย่างไงเห็นในลักษณะไหนเล่าสิคริสอีกนิดเดียวเท่านั้นรพินเพร่พิสูจน์อะไรบางอย่างสำหรับตัวฉันเองผู้หญิงคนนั้นน่ะเวลา ย, ยิ้มเต็มที่ มีรักยิ้มข้างเดียวทางแก้มซ้ายใช่ไหมเวลาอารมณ์ร hmm? ้ายขึ้งเครียดจะเรียกคุณว่าในพรานเวลาอารมณ์ดีก็จะเรียกว่าจอมพรานของฉันเธอเกลียดหน้าคุณในครั้งแรกแต่มารักภายหลังถูกต้องไหมนี่คริสคุณรู้ได้ยังไงเนี่ยคุณเป็นแม่มด มองเห็นจากลูกแก้วหรือไงระพินพูดออกมาเสียงเร็วปือตื่นตะลึงงงงันไปหมดก็แปลว่าถูกต้องทั้งหมดใช่ไ้มล่ะระพินที่ฉันบอกลักษณะเธอแล้วก็ภูมิหลังบางส่วนระหว่างคุณกับเธอไม่ฟังเนี่ยผมไม่ปฏิเสธคริสแต่ผมแปลกใจใช่ั้มก็จะไม่แปลกใจได้ยังไงล่ะคุณ นั่นเมื่อคุณไม่เคยรู้จักกเธอมาก่อนเลยตื้อลึกหนาบางทุกชนิดแม้แต่พรานลูกน้องผูกใกล้ชิดผมยังไม่รู้เลย <c oughs> ก็บอกแล้วไงว่าฉันเห็นภาพเหล่านี้ในฝันไงล่ะถ้ามันไม่ถูกต้องตามที่ฉันพูดมาเนี่ยมันก็แปลว่ากระแส จ, จิตของเธอผู้นั้นส่งมากระทบกระครืดดวงจิตของฉันที่รักได้อย่างถูกต้องไม่ใช่การเพ้อคิดไปเองของฉันพี่คุณ ผมอยากรู้นะว่าคุณฝันเห็นเธอพูดนั้นในลักษณะไหนและได้มีการพูดหรือไม่ยังไงมั้งระพินพูดออกมาเกือบจะเป็นเสียงตะโกนพร้อมกับขยา่าไล่ลอนอย่างแรง